หอพักสูง4ี่ชั้นตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่บริเวณท้ายซอยเทพประธานย่านบางแม่นางจังหวัดนนทบุรีเป็นที่รู้จักกันดีของคนในละแวกนั้นด้วยเหตุก็เพราะเมื่อหลายปีก่อนนะคะพื้นที่บริเวณดังกล่าวโดยส่วนใหญ่ล้วนยังคงเป็นสวนผลไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นรกขรึ้มตลอดแนวเส้นทางสายนี้เส้นทางสายนี้หาน้อยนักที่จะมีตึกรามบ้านช่องผุดขึ้นมาใหเห็นตลอดระยะสองฟากทาง ดังนั้นนะคะเมื่อมีตึกสูงสักตึกหนึ่งถูกปลูกขึ้นก็ไม่แปลกนะคะที่ชาวบ้านในแถบนั้นจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีค่ะ ในช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างตึกซึ่งเป็นอาคารหอพักแห่งนี้ก็ได้มีข่าวลือเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายของคนงานก่อสร้างที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช้ความสูงของตัวตึกเป็นเครื่องมือสังหารชีวิตของตัวเองด้วยการปีนขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึกแล้วก็กระโดดลงมายังพื้นเบื้องล่างค่ะซึ่งขณะนั้นก็เต็มไปด้วยกองก้อนอิฐที่ตั้งระเกะระกะอยู่ใกล้กันกันกบตัวตึกแห่งนี้ ว่ากันว่านะคะชนวนที่ทำให้เหตุนี้เกิดขึ้นก็เกิดจากผู้หญิงคนนี้เนี่ยซึ่งเดินทางมาจากบ้านนอกนะคะเธอเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะรูปร่างหน้าตาสวยชวนสเสน่หาเป็นที่น่าพึงพอใจต่อผู้พบเห็นค่ะแล้วเธอก็ได้หลงสเสน่ห์เสียเจ้าของตึกจนถึงขั้นพลังพลาดได้เสียกันอย่างลับๆ แต่ว่าต่อมาค่ะผู้หญิงคนงานดังกล่าวเกิดตั้งท้องขึ้นเสียหนุ่มซึ่งมีเมียอยู่แล้วก็คิดจะตีตัวออกห่างด้วยกลัวว่าความเนี่ยจะรู้ไปถึงหูเมียหลวงและที่สุดนะคะเขาเองก็ผลักใส่ไล่ส่งหญิงสาวบ้านนาคนนี้ด้วยการให้ออกจากงานและไม่รับผิดชอบต่อการกระทาของตัวเองเลยแม้แต่น้อยค่ะ ด้วยความเสียใจอย่างไม่อาจทารทนต่อไปได้อีกหญิงสาวผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของเสียหนุ่มก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกลงมายังพื้นด้านล่างจบชีวิตอันอับะยศะของตัวเองโดยมีความคับแค้นใจที่มีต่อเสียหนุ่มเจ้าของตึกซึ่งเป็นพันธนาการตัวของเธออยู่ก็เลยทําให้ดวงวิญญาณของเธอเนี่ยไม่อาจที่จะอยู่เป็นสุขได้แล้วก็มักจะออกมาปรากฏตัวให้ผู้คนในละแวกนั้นได้เห็นอยู่เสมอ จนกระทั่งกลายเป็นเสียงร่ำลือแล้วก็เรียกขานตึกนี้ว่าเป็นตึกผีสิงค่ะ เรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะได้รับการถ่ายทอดมาจากาผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นคนพื้นเพเดิมอยู่ในเขตอําเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งรับรู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีค่ะเพราะว่าแม้เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นมากกว่า20ปีแล้วก็ตามแต่ว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายหลายๆอย่างก็ยังคงปรากฏให้เห็นจวบจนปัจจุบันนี้นะคะ หลังจากที่ตึกหอพักหลังนี้ปลูกเสร็จได้ไม่นานก็ได้มีผู้ที่ไม่เคยรู้ประวัติของตึกเข้ามาพักอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งแต่ว่าผู้คนเหล่านั้น ไม่มีใครเลยที่จะสามารถทนอยู่ภายในตึกสยองแห่งนี้ได้นานด้วยเหตุว่าส่วนใหญ่นะคะผู้ที่เข้าไปเช่าอาศัยอยู่ในตึกนี้ซึ่งทำเป็นหอพักก็ล้วนแล้วต้องโดนวิญญาณของหญิงสาวออกมาปรากฏตัวหลอกหลอนอยู่เป็นประจำคล้ายกับว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาอาศัยอยู่ในตึกแห่งนี้นั่นเองค่ะประมาณปี2526นะคะผู้ชายคนนี้ก็มีโอกาสเข้าไปพักที่ตึกแห่งนี้ เนื่องจากว่าขณะพักอยู่ในตึกเนี่ยนะคะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้เราฟังก็ต้องการหาหอพักเพื่อเช่าสำหรับอยู่อาศัยในบริเวณแถบนั้นเพราะว่าใกล้กันกับโรงงานที่เขาทำงานอยู่นั่นเองหลังจากที่หาอยู่นานในที่สุดนะคะก็มาลงเอยเอาที่ตึกหอพักที่มีข่าวร่ำลือว่าผีดุนะคะ แต่ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่กลัวแล้วก็ไม่เชื่อในเรื่องเหล่านี้ดังนั้นนะคะแม้ว่าจะมีเพื่อนที่พยายามทัดทานนะคะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าให้ไปพักอาศัยอยู่ในตึกตึกนี้แต่ก็ไม่อาจขัดขืนได้เป็นที่น่าแปลกใจมากนะคะที่ผู้ชายคนนี้สามารถพักอยู่อาศัยภายในหอพักแห่งนี้ได้ยาวนานโดยไม่เคยพบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดอะไรเลย ขณะที่คนอื่นๆที่เข้ามาอยู่โดยมากแล้วมักจะต้องย้ายออกไปภายในระยะเวลาไม่เกิน3เดือนสักรายหนึ่งค่ะเพื่อนของผู้ชายคนนี้นะคะก็เคยสอบถามเขาละค่ะว่าระหว่างที่พักอาศัยอยู่ในตึกนี้เคยเจอเจอกันกับเหตุการณ์แปลกประหลาดหรือไม่ ก็ได้รับคำตอบนะคะว่าในช่วงตอนแรกที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ๆกลางดึกคืนหนึง่งขณะที่เขาทำงานกะดึกก็เลิกงานประมาณเที่ยงคืนเมื่อเขาเดินทางมาถึงตึกซึ่งเป็นหอพักของเขาระหว่างกำลังจะเดินเข้ามายัางตัวตึกเขาก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งค่ะส่งเสียงกระแอมให้ได้ยินมาจากทางดาดฟ้าของตึกเมื่อเขามองตามขึ้นไปก็ได้พบนด้ว่าเป็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่บนดาดฟ้าแล้วก็มองมาที่เขา ทันทีที่ได้เห็นเขาก็รับรู้ได้ทันทีนะครัว่าจะต้องเป็นวิญญาณของผู้หญิงสาวคนนี้ที่ผู้คนร่ำลือกันอย่างแน่นอนแต่เขาเองก็พยายามทำจิตใจให้สงบไม่ให้ตื่นเต้นตกใจกับสิ่งที่เห็นเมื่อกลับขึ้นมาถึงห้องพักก็พยายามนั่งรวบรวมสติสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาแล้วก็ระลึกถึงผู้หญิงคนนั้น นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะคะเขาก็บอกว่าไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดทำนองนี้ให้ได้เห็นอีกเลยแล้วก็ทุกครั้งที่เขามีโอกาสเขาก็ทำบุญใส่บาตรแล้วก็หมั่นอุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ผู้หญิงคนนั้น ตั้งจิตอธิษฐานขออย่าให้มารบกวนซึ่งกันและกันทุกสิ่งที่ทำให้นั้นก็เป็นการทำด้วยความบริสุทธิ์ใจจึงไม่เคยถูกรบกวนใดๆนะคะก็ไม่เหมือนกับคนอื่นๆที่ถูกเล่นงานจนต้องย้ายหนีออกไปก็เพราะว่าส่วนใหญ่ค่ะจะเป็นพวกที่อยู่อย่างไม่สงบมักจะก่อเรื่องทะเลาะวิวาทหรือว่าส่งเสียงดังอึกระทึกเอตโรกันก็เลยโดนดีจากวิญญาณหญิงสาวผู้นั้นจนอยู่ไม่ได้ ผู้ชายคนนี้ยังบอกอีกนะคะว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้นานกว่าใครจนกระทั่งเมื่อเข้าสู่ปีที่สองของการอยู่อาศัยค่ะเหตุการณ์ก็ยังคงสงบเรียบร้อยนะคะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นซึ่งมันก็ทำให้ตัวของเขาเองค่ะรู้สึกคลายความกลัววิญญาณของหญิงสาวในตึกหอพักนี้ลงมาก จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเมื่อเขาได้ชวนเพื่อนค่ะไปนอนค้างที่หอพักภายหลังจากที่กลับมาจากเที่ยวกลางคืนกันนะคะเขาก็กล้าพอที่จะนอนค้างในหอพักแห่งนี้ มันก็เลยเป็นคืนที่เขาต้องจดจำไปอีกนานทีเดียวโดยผู้ชายคนนี้เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าหลังจากที่เขาแล้วก็เพื่อนเนี่ยที่ไปเที่ยวมาแล้วก็มานอนพักด้วยกันอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เตรียมตัวเข้านอนแล้วก็หลับลงอย่างสนิทภายในระยะเวลาอันรวดเร็วเนื่องจากว่าพากันดื่มสุรามาม า, มากพอสมควรนะคะขณะที่กาลังนอนหลับอยู่นั้น เพื่อนของผู้ชายที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังก็ได้ฝันเห็นผู้หญิงสาวคนหนึ่งหน้าตาสวยมากได้เดินเข้ามาหาค่ะพร้อมกับนั่งลงข้างๆเขาผู้หญิงคนนี้มีสีหน้าสีตาก็ค่อนข้างเศร้าราวกับว่าเป็นคนที่กำลังได้รับความทุกข์ตรมอย่างแสนสาหัสจากนั้นเธอก็ใช้มือเอื้อมมาดึงแขนของเขาให้ลุกจากที่นอนทำให้เพื่อนของผู้ที่เล่าเรื่องนี้ต้องออกแรงแข็งขืนจากการฉุดดึงนั้นจนเหนื่อยหอบ ใบหน้าอันแสนเศร้าส้อยของผู้หญิงสาวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นดุดันค่ะเมื่อเพื่อนของผู้ที่เล่าเรื่องนี้ไม่ยอมออกไปจากที่นอนความโกรธส่อสแสดงออกจากแววตาแดงก่าของเธอจนเห็นได้ชัดนะคะจากนั้นหญิงสาวคนนี้ก็ค่อยๆก้มลงมาหาเขาใกล้เข้ามาทุกขณะใกล้จนกระทั่งได้กลิ่นสาบสางอย่างรุนแรงพุ่งเข้ามาประทะจมูกเข้าเต็มรักค่ะ เพื่อนของผู้ชายที่เล่าเรื่องนี้ก็ถึงกับสะดุ้งตกใจตื่นด้วยความตระหนกสุดขีดแต่ครั้นเมื่อลืมตาตื่นขึ้นเขาก็ต้องแทบช็อกสิ้นสติไปในวินาทีนั้นเมื่อพบนะคะว่าใบหน้าหญิงสาวคนเดียวกันกับในความฝันปรากฏอยู่เต็มตาระยะห่างจากใบหน้าของเขาไม่ถึงคืบเขาร้องตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัวสุดขีด จนกระทั่งผู้ที่เล่าเรื่องนี้ซึ่งเป็นเจ้าของห้องนะคะซึ่งนอนอยู่ข้างๆได้รู้สึกตัวตื่นขึ้นขณะเดียวกันภาพใบหน้าอันน่าสะพรึงกลัวของผู้หญิงสาวคนนั้นก็หายไปคงเหลือไว้เพียงกลิ่นสาบสางที่ยังคงติดอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้น ไม่รีรอจนถึงสว่างค่ะเพื่อนของผู้ที่เล่าเรื่องนี้ก็รีบเพนออกจากตึกสยองขวัญ น, นั่นทันทีและไม่ว่าผู้ชายที่เป็นเจ้าของห้องซึ่งก็เป็นผู้ที่เล่าเรื่องนะคะจะพยายามปลอบอย่างไรก็ไม่สามารถหยุดเขาได้อีกแล้ว ผู้ชายที่เป็นเจ้าของห้องค่ะได้ถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญเกี่ยวกับวิญญาณของหญิงสาวให้ฟังเมื่อหลายปีก่อนนะคะแล้วก็ได้ทราบต่อมานะคะว่าตึกสยองแห่งนั้นได้ถูกรื้อทิ้งไปคงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพังภายในอาณาบริเวณดังกล่าวเท่านั้นและแม้ในปัจจุบันค่ะก็ยังคงมีคนพบนะคะกับการปรากฏตัวของหญิงสาวคนนั้นอยู่บ้างในบางครั้งทั้งที่ตึกนี้ก็ถูกทุบทิ้งไปแล้วก็ตามค่ะ ความมหัศจรรย์คือภาวะที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อแล้วก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคะเป็นเรื่องที่แปลกมากแล้วก็น่าพิศวงความมหัศจรรย์บางเรื่องก็มีเหตุผลที่สามารถอธิบายได้บางเรื่องนะคะก็ไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้เหมือนกันเรื่องมหัศจรรย์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้มีวิญญาณของท่านนักอรบแต่โบราณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพร้อมกันนั้นก็เป็นสาเหตุที่มาของเรื่องทั้งหมด โรงงานกระดาษไทยที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งวางศิลาฤกษ์เริ่มก่อสร้างอาคารโรงงานเมื่อปี2503 การเริ่มต้นดำเนินการของโรงงานกระดาษไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ถือได้ว่าเสียเลิก ม, มาตั้งแต่แรกก็เริ่มแล้วนะคะกล่าวก็คือโหอนค่ะได้กำหนดเวลาอันเป็นมงคลเลิกเอาไว้ตอนเช้าเวลาเก้านาิกา30นาทีถึง10นาฬิกาแต่ว่าจอมพลปอพิบุญสงครามนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นซึ่งเป็นประธานพิธีติด ร, ราชการด่วน จำเป็นต้องมาวางศิลาฤกษ์เวลาบ่าย2โมงนะคะซึ่งผิดเวลากำหนดฤกษ์ไปถึง4ชั่วโมงเต็มยิ่งไปกว่านั้นค่ะก็คือเมื่อเสร็จพิธีแล้วยังมีชาวบ้านมาขุดคุ้ยหาเศษเงินเศษทองที่บรรดาพราหมณ์โรยไว้โดยเคลื่อนย้ายศิลาฤกษ์อีกนะคะ หลังจากก่อสร้างอาคารโรงงานแล้วก็ติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษรวมทั้งระบบภายในต่างๆจนครบถ้วนเรียบร้อยและทดสอบทดลองขั้นตอนการผลิตเป็นเวลานานโรงงานกระดาษนะคะก็เปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบในปลายปีพศ2509แต่ว่าหลังจากโรงงานดำเนินงานมาได้แค่6เดือนก็เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นทุกกรณีเช่นเกิดพายุพัดกระหนำ่ำจนผนังโรงงานพังเป็นแถบทำความเสียหายอย่างหนักนะคะเกิดไฟไหม้ติดๆกันสองครั้งทำให้โรงงานต้องสูญเสียเงินไปหลายล้านบาทกรณีที่เกิดไฟไหม้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อหากแต่ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยค่ะนอกจากนี้ คนงานในโรงงานนะคะก็ยังก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้งและบางครั้งรุนแรงถึงขั้นกับฆ่ากันตายเลยก็มีนอกจากนั้นก็ยังคงมีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าที่จะเป็นไปได้อย่างเช่นปั้นจันขนาดใหญ่หล่นลงมาทับคนงานตายเอาดือด้อก็มีนะคะอีกครั้งหนึ่งคนงานคุมเครื่องจักรขาถูกเครื่องจักรฉุดลากเข้าไปบดร่างกายจนแหลกเหลวอย่างน่าสยดสยอง ตลอดเวลาที่ทำงานคนงานประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บเข้าขั้นสาหัสเป็นประจำทั้งที่คนงานทุกคนนะคะก็ระมัดระวังตัวเป็นอย่างดีค่ะแต่ก็เกิดความพลาดพลั้งอย่างน่าเหลือเชื่อทำให้โรงงานสูญเสียเงินไปเป็นจำนวนมาก พลจัตวาทรงพลเสนีวงนาอายุทยาผู้อำนวยการโรงงานกระดาษไทยในขณะนั้นแล้วก็เป็นผู้บริหารระดับสูงพยายามหาทางป้องกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างสุดความสามารถแต่ดูเหมือนนะคะว่าความเดือดร้อนวุ่นวายไม่เคยลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ได้มีการติดต่อเชิญหลวงสุวิชานแพทย์ผู้ซึ่งมีชื่อเสียงด้านพลังจิตมานั่งทางนายมาตรวจดูภายในโร ง, งงานว่ามีอาถรรพ์ลึกลับอย่างไรแอบแฝงอยู่หรือไม่ หลวงสุวิชานค่ะท่านตรวจดูแล้วก็แจ้งว่าในโรงงานกระดาษเนี่ยมีวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางสิงสถิตยอยู่แล้วก็วิญญาณนี้แรงมากวิญญาณไม่พอใจที่เวลาโรงงานประกอบพิธีอะไรไม่เคยบอกกล่าวเขาเลยทําเหมือนกับลบหลู่ดูถูกไม่เห็นความสำคัญด้วยเหตุนี้นะคะก็เลยบันดาลให้เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆจากอานาจของโทสะค่ะ หลวงสุวิชานนะคะให้คำแนะนำว่าเราควรทำบุญเลี้ยงพระประกอบการกุศลแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าที่เจ้าทางซะเหตุร้ายก็จะทุเลาเบาบางลงซึ่งผู้อำนวยการก็เห็นดีด้วยจึงได้ปฏิบัติตามคำแนะนำนั้นอย่างครบถ้วนหลังจากทำบุญใหญ่ที่โรงงานผ่านไปแล้วเหตุร้ายต่างๆก็ผ่อนคลายลง แต่ว่านานๆครั้งนะคะก็จะมีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นเสมอผู้มนวยการโรงงานก็ให้ไปติดต่ออาจารย์ทองแถมศัตตรรจินะคะซึ่งเป็นอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาพรหมศาสตร์เพื่อขอให้ตรวจดูโรงงานอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ทองแถมก็ไปตรวจสอบให้ด้วยพิธีทางวิชาพรหมศาสตร์นะคะ จากการตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกับวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ในโรงงานค่ะก็ทราบนะคะว่าเป็นวิญญาณอดีตทหารกล้าแห่งกรุงศรีอยุธยาก่อนจะเสียกรุงเป็นครั้งที่สองให้แก่พม่าค่คาศึกวิญญาณดังกล่าวอยู่ในดินแดนผืนนี้มานานแสนนานแล้วซึ่งตลอดระยะเวลาอันยาวนานนะคะก็ไม่เคยมีผู้ใดทาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณก็อยู่อย่างอดอยากหิวโหวยไม่มีความสุขอย่างที่ควรเป็น วิญญาณ น, นี้สมัยเมื่อครั้งยังมีชีวิตเป็นทหารประจำการในกองทัพของกรุงศรีอยุธยามีนามนะคะว่าพันแสนเทพต่อมาพันแสนเทพได้ภรรยาอยู่ที่อำเภอบางปะอินจึงมาตั้งหลักแหล่งปลูกบ้านสร้างเรือนอยู่กับภรรยาที่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาห่างจากบางปะอินลงมาทางใต้ประมาณ8กิโลเมตรซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานกระดาษพอดีนะคะ เมื่อกองทัพพม่ายกมาล้อมกรุงศรีอยุธยาแล้วก็ก่อนที่กรุงจะแตกในปีพศ .2310 พันแสนเทพก็รวบรวมชาวไทยรักชาติกลุ่มหนึ่งกระทําการเป็นกองโจรค่ะคอยดักซุ่มเข็นฆ่าทหารพม่าเพื่อลิตรอนกำลังทหารพม่าเมื่อมีโอกาสค่ะ วันหนึ่งนะคะพันแสนเทพก็บุกเข้าโจมตีกองทหารพม่าเกิดการสู้รบอย่างดุเดือดพันแสนเทพพลาดท่าถูกอาวุธฝ่ายศัตรูจนถึงแก่ชีวิตและอีกไม่นานค่ะต่อมากรุงศรีอยุธยาก็ล่มสลายพ่ายแพ้แก่พม่าเป็นครั้งที่สองแม้พันแสนเทพจะตายแล้วก็ตามแต่ว่าวิญ ญ, ญาณยังไม่ไปผุดไปเกิดในภพภูมิใหม่ยังคงวนเวียนอยู่ณนะบริเวณที่บ้านเรือนของตนที่ตั้งอยู่นะคะเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เนื่องจากว่าวิญ ญ, ญาณมีความห่วงใยในบุตร ภรรยาแล้วก็บ้านเรือนทรัพย์สมบัติของตนที่ฝังดินซ่อนไว้วิญญาณของพันแสนเทพวนเวียนอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้วันเวลาแล้วจิตก็ยัง ยึดมั่นผูกพันอยู่กับถิ่นเดิมของตนอย่างเหนียวแน่นแม้เวลาจะผ่านไปนับร้อยร้อยปีวิญญาณก็ไม่ยอมไปไหนจนกระทั่งมีการก่อสร้างโรงกระดาษคร่อมทับสถานที่ซึ่งในอดีตเป็นบ้านเรือนของพันแสนเทพปลูกสร้างอยู่อีกทั้งก่อนจะมีการก่อสร้างโรงงานก็ไม่ได้มีการทําพิธีบอกกล่าวให้เจ้าที่เจ้าทางรับรู้รับทราบไม่มีใครฉุกคิดหรือว่าสนใจขออนุญาตเจ้าของเดิมแม้แต่น้อย เนื่องจากคิดว่าที่ดินว่างๆจะมีเจ้าของเป็นวิญญาณสิงสถิตยอยู่นั่นเองค่ะการไม่แสดงความเคารพนับถือวิญญาณเจ้าที่เจ้าทางนะคะก็ทําให้วิญญาณของพันแสนเทพโกรธเกรี้ยวคิดว่าคนรุ่นใหม่ลบหลู่ดูถูกตนก็เลยใช้ฤทธิ์บันดาลให้เกิดเรื่องร้ายต่างๆไม่ยอมหยุดหย่อนแม้ว่าทางผู้บริหารโรงกระดาษจะทําบุญใหญ่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้ก็ตาม แต่ว่ามีหลายครั้งค่ะคุณผู้ฟังที่คนงานล่วงเกินตรงที่วิญญาณอยู่โดยไม่รู้ทำให้วิญญาณพันแสนเทพเนี่ยขาดเครื่องจึงออกฤทธิ์ให้เกิดเรื่องเดือดร้อนสะทีหนึ่งดังนั้นความสงบสุขจึงไม่เคยเกิดขึ้นอย่างจรังนะคะ อาจารย์ทองแถมได้แนะนําว่าควรสร้างศาลขึ้นอย่างถาวรแล้วก็อัญเชิญดวงวิ ญ, ญญาณเจ้าพ่อพันแสนเทพขึ้นไปสถิตเป็นที่เป็นทางให้เป็นสถานที่เคารพบูชากราบไหว้เมื่อถึงวาระอันควรเมื่อใดก็ตามให้ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนะคะโรงงานก็จะดําเนินงานไปอย่างราบรื่นผู้บริหารก็เห็นดีด้วยก็เลยสั่งการให้สร้างศาลขึ้นค่ะแล้วก็มอบหมายให้อาจารย์ทองแถมเป็นผู้ทําพิธีอัญเชิญดวงวิญ ญ, ญาณขึ้นมาประทับที่ศาล ก่อนที่หลวงสุวิชานแพทย์แล้วก็อาจารย์ทองแถมสัตตะรุจิจะนั่งทางในตรวจสอบเรื่องลึกลับในโรงงานก็มีคนเคยพบรูปเงาของทหารไทยโบราณซึ่งรูปร่างใหญ่โตค่ะก็มาปรากฏตัวให้กับคนที่ทำงานในโรงงานนี้เห็นแบบแวบแวบผุบๆโพโผนะคะ บางครั้งค่ะบางคนก็จะเห็นคนนุ่งขาวห่วมขาวในลักษณะเดียวกันแสดงตนที่นั่นที่นี่ให้เห็นอยู่บ่อยๆซึ่งก็ตรงกับการระบุของท่านผู้มีพลังจิตทั้งสองทุกอย่างจึงเป็นการยืนยันได้ค่ะว่าโรงงานกระดาษนี้มีเจ้าที่เจ้าทางสถิตยอยู่จริงๆเมื่อสารสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วอาจารย์ทองแถมก็ได้ทำพิธีอัญเชิญวิ ญ, ญญาณเจ้าพ่อพันแสนเทพขึ้นไปประทับบนสาร ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะเรื่องร้ายๆภายในโรงงานก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยนี่คือเรื่องมหัศจรรย์ซึ่งเกิดขึ้นที่โรงงานทากระดาษไทยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสแสดงให้เห็นนะคะว่าสถานที่บางแห่งยังมีดวงวิญญาณของเจ้าของที่หรือเจ้าที่เจ้าทางสิงสู่อยู่ดังนั้นค่ะหากผู้ที่เข้าไปอยู่หม่ละเลยต่อการนอบน้อมอันควรกระทา บางครั้งก็อาจจะประสบกับภาวะเลวร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ทางที่ดีหากไม่นับถือก็ไม่ควรลบหลู่เป็นอันขาดนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ข้อคิดเห็นหรือว่าความคิดเห็นต่างๆของคุณผู้ฟังได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะเ จ, เจอกันในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ